ในสมัยพุทธกาลนะมีพระหนุ่มรูปหนึ่งนะชื่อพระสนะโกริกิสสะท่านเป็นผู้ที่ตั้งใจในการปฏิบัติมากเดิมเนี่ยพื้นเพยก็เป็นมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยรวยมากนะตัวท่านเองก็เรียกว่าได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างสุขสบายพ่อแม่ก็ สร้างภาษาสามฤดูให้มีพระที่มาจากพื้นเพที่ร่ำรวยนี่เยอะนะในสัยวัตการเนี่ยแล้วก็หลายรูปนี่ก็เคยอยู่ภาษาสามฤดูมาก่อนสมัยเป็นคารวะไม่ใช่เฉพาะเจ้าชาสิท ธ, ธัตถะยศสกุลระบุตรก็เหมือนกันแล้วก็ท่านสนั ก, กรุลิวิสา เหมือนกับว่ามันเป็นแฟชั่นนะของคนรวยสมัยนั้นเนี่ยจะต้องสร้างภาษาสามฤดูให้กับลูกแต่ภายหลังเนี่ยนหนุ่มโซนักลึรวิสรเนี่ยได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาตัดสินใจออกบวชแล้วก็มุ่งถึงพระนิพพานเลยทีเดียวพราธเป็นคนที่ตั้งใจมากนะมีความเพียรสูง เมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยก็เรียกว่าปฏิบัติเมื่อบวชแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติเรียกว่าเต็มที่เลยโดยใช้อิรียบบนหลับคือเดินจงกรมเรียกว่าแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเดินจงกรมกลับไปกลับมาเนื่องจากท่านเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่าสุคุมาลชาตินะ ฝ่าเท้าท่านเนี่ยบอบบางมากเพราะว่าไม่เคยตากตรรมทำงานหนักมาก่อนแล้วก็มีความพิเศษนะคือฝ่าเท้าเนี่ยจะนิ่มมากอันเดินยังกลมเนี่ยจนกระทั่งฝ่าเท้าแตกเลือดไหลซิปๆก็ยังไม่ยอมหยุดนะเดินไม่ได้ก็คลานก็แล้วกัน ปานกลับไปกลับมาจนข้างฝ่ามือทั้งสองข้างแล้วก็หัวเข่านี่ก็แตก เ, เป็นแผลไปถึงจนหนึ่งท่านก็เกิดความท้อนะว่าเนี่ยให้เราเพียรขนาดนี้เนี่ยก็ยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานเลย เ, เกิดความคิดจะสืขาลาเภอเพราะคิดว่าชานี้คงจะไม่มีความสามารถที่จะบรรลุ มักผลิตภัณฑ์ได้เมื่อพระพุทธเจ้าทราบเนี่ยก็มาสนทนากับพระสนะโดยยกอุปมาเนี่พินสามสายเพราะว่าพระสนะเนี่ยตอนเป็นคารืหารเนี่ยคุ้นเคยกับการเล่นพินสามสายพะพเจ้าก็ตรัสว่าเนี่ย พินเน่นะถ้าว่าสายพินเนี่ยึงให้ตึงเนี่ยดีดไปไม่นานนะมันก็ขาดแต่ถ้าสายพินเนี่ยหย่อนดีก็ไม่เพาะทำงาถึงจะดีดให้เพาะได้นะก็ต้องขึงแต่พอดีคือไม่ตึงไม่หย่อนอันนี้วจญญา์นี่ก็ เหมือนกับจะสอนให้พระสน น, นั่นได้ตระหนักว่าท่านเนี่ยทำความเพียรมากเกินไปคือตึงอ่ะตึงมากไปควรจะหย่อนลงมาหน่อยพระจ้าก็ไม่ได้ตัดตรงๆนะแต่พระสนนกุลิวิสาก็เข้าใจนะความหมาย ที่ผู้เจา้าเนี่ยสมุปมาภาษาสมันยนี้เรียกว่าเกตนะเกตที่ผู้เจา้าเนี่ยอุปมาพิน3 ส, สายโดยที่เห็นว่าเนี่ยพินที่ขึงไว้พอดีพอดีเนี่ยหรือพินเส้นที่อยู่ตรงกลางๆนี่แหละคือไม่ขึงให้มันตึงหรือว่าขึงหย่อนเนี่ย เช่นนั้นแหละที่จะถ้าดีแล้วก็จะเพราะก็หมายความว่าให้ทำความเพียรแต่พอดีหรือผู้อย่างคือว่าให้หย่อนลงมาหน่อยเพราะที่ผ่ามานเนี่ยตึงไปพระสนักเยวิสาก็เลยนะลดความเพียรลงเพระาะในสุดเนี่ยท่านก็ได้บรรลุนะพระนิพพานเป็นพระอราหารันต แล้วก็ได้รับการยกย่องมาเป็นเอตทัคคะหรือเลืกก่อกว่าพิสูจน์ทั้งหลายในเรื่องของปรัความเพียรน่าสนใจนะคนส่วนใหญ่ในผู้เจ้าเนี่ยจะบอกว่าให้ทำความเพียรเยอะๆนะแต่ว่าพระสนะเนี่ยผู้เจ้าตัดอีกแบบหนึ่งนะก็คือว่าให้ทำความเพียรให้น้อยลงหน่อยเพราะว่าที่ ผานมันนี่ตึงเกินไปคงมีไม่กี่รูปนะที่พระเจ้าเนี่ยแนะนําให้ลดความเพียรลงเพราะอะไรเพราะว่าพราะสนานี่นะเพียรมากไปเรียกว่าเกินพอดีไอ้ความเพียรเนี่ยนะโดยทั่วไปไมันก็ถือว่าดีนะแต่อะไรก็ตามที่เกินพอดีมันไม่ดีทั้งนั้นแหละแม้แต่ความเพียร แต่คำแนะนำูเจ้าแบบนี้เนี่ยจะไปแนะนำคนอื่นก็ไม่ได้นะเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยเรียกว่าถ้าไม่ย่อนความเพียรก็เกียดคร้านไปเลยคืนบอกว่าให้ทาความเพียรให้น้อยลงนี้คงจะไม่ได้นะคนส่วนใหญ่นีก็ต้องพูดว่าเนี่ยต้องเพียรให้หนักนะแต่กับพระโส้านี่พู้เจ้าตรัสอีกแบบหนึ่งนะคือว่า ให้หย่อนลงมาหน่อยเพราะว่าพระสนานเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่ตั้งใจนะตั้งใจในการปฏิบัติมากไม่ใช่แค่ทำมานะ่แต่ว่าใจเนี่ยก็คิดจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้จะเอาให้ได้เนี่ยก็เลยไม่ยอมพักนะแม้แม้ว่าเท้านี่จะจะแย่แล้วก็ยังไม่ยอมหยุด เพราะว่ามีความคิดนว่าเนี่ยจะต้องเอาให้ได้เอาให้ได้ซึ่งตรงนี้แหละนะที่เรียกว่าเป็นอุปสรรคแห่งการปฏิบัติไม่ใช่เพียงแค่ว่าเดินจงกลมมากไปให้คําว่าทำความเพียรให้น้อยลงหรื อ, ย ห, รอยหยอดลงมาหน่อยเนี่ยนะ มันก็มีความหมายทั้งในแง่ว่าให้ให้หยุดให้พักบ้างนะและระหว่างที่พักเนี่ยก็ยังสามารถที่จะทำความเพียรในรูปแบบอื่นได้เพราะว่านั่งก็ปฏิบัติได้ไม่ใช่ว่าต้องเดินจงกลมหรือว่าคลานเอาอย่างเดียวแต่ที่สมคัญคือว่าใจเนี่ยนะใจก็ต้องลดความอยากลง ความคิดที่จะเอาให้ได้เอาให้ได้เนี่ยมันก็ถ้าลดลงมันหน่อยก็จะทําให้เกิดความพอดีขึ้นให้ความพอดีเนี่ยมันไม่ใช่มันคนละกับทางสายกลางนะแต่มันใกล้กันนะความเพียรแต่พอดีเนี่ยมันมีสัตว์เฉพาะอยู่คำหนึ่งเรียกว่าวิริยะสมัตตาความเพียรแต่พอดี ซึ่งไม่ซึ่งคนละอันกับทางสายกลางนะแต่ว่ามันก็ใกล้กันแต่การที่ผู้เจ้าเนี่ยเปรียบความเพียรแต่พอดีเหมือนกับพินสายที่สายที่อยู่ตรงกลางเนี่ยให้บางคนเนี่ยเขาใจว่าไอ้ความเพียรแต่พอดีคือทางสายกลางซึ่งมันก็ไม่ใช่ทีเดียวนะแต่ว่ามันก็ใกล้กันแต่ประเคือว่าเนี่ยผู้เจ้าเนี่ย กับคนบางคนกับภาพบางรูปเนี่ยพระองค์แนะนำให้หย่อนลงมาหน่อยเพียนน้อยลงแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพระองค์จะแนะนำให้ทำความเพีนยนเยอะๆนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยจะข ย, ยันมันในการปฏิบัติเท่าไหร่ ถ้ามช้อนคนเราเนี่ยมักจะหาความพอดีได้ยากนะเรียกว่าส่วนใหญ่ก็ขาดขาดหรือไม่ก็เกินเกินส่วนที่ขาดนี่ก็ต้องเติมส่วนที่เกินก็ต้องลดนะจึงจะเกิดความพอดีหรือถ้าเปรียบเหมือนกับว่า บนถนนเนี่ยนะถ้าว่าอยู่ตรงกลางๆเนี่ยมันก็เรียกว่าพอดีนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะถ้าไม่เบี่ยงซ้ายก็เบี่ยงขวาสําหรับคนที่เบี่ยงซ้ายเนี่ยทำไงจะให้เขามาอยู่ตรงกลางๆนะก็ต้องฉุดมาทางขวาส่วนคนที่เบี่ยงขวาทำไงจะอยู่มาตรงทำไงจะให้อยู่ตรงกลางๆงก็ต้องฉุดมามาทางซ้าย จึงจะเกิดหรืออยู่บนตำแหน่งที่เากลางๆและคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีลักษณะนี้นะสำหรับคนบางคนนี่นะต้องดึงมาทางขวาเพราะว่าเบี่ยงไปทางซ้ายเยอะแต่สาหรับบางคนเนี่ยต้องดึงมาทางซ้ายเพราะาเบี่ยงไปทางขวามาก นี่เราต้องจับหลักตรงนี้ให้ได้อย่างเช่นพอคนส่วนใหญ่เนี่ยผู้เจ้าก็จะเริ่มสอนให้มีศีลก่อนเพราะส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีศีลเท่าไหร่แต่หลายคนเนี่ยพอเห็นคุณค่าของศีลแล้วเนี่ยจะเริ่มเบี่ยงไปอีกทางหนึ่งนะคือยึดมั่นถือมั่นในศีล พุทธเจ้าก็จะสอนว่าเนี่ยให้รู้จักนะปล่อยวางบ้างอย่ายึดมั่นถือมั่นในศีลนะมีคำสอนที่พูดถึงเรื่องศิลปัตุปาทานอุปทานในศีลและพระตพร ต, พรตนี่หมายถึงข้อปฏิบัติที่เข้มงวดนะเข้มงวดกับศีลเนี่ยศีลและพระตนี่เป็นของดีนะ อย่างเช่นทุดงเนี่ยทุดงขวัตเนี่ยพรเจ้าก็แนะนำให้พระเนี่ยได้ปฏิบัติและพระสมัยพุทธกาลนี้ก็บาเพ็ญทุดงขวัตกันมากมายเช่นฉันมือเดียวอยู่คนอยู่คนไม้ทุดงขวัตวัดเนี่ยที่เรียกมาจึงพรตนะคือข้อปฏิบัติที่เข้มงวดแต่ว่าจะมีคำสอนเนี่ยว่า ต้องระวังนะศิลปัตะประมา m a หรือศิลปัตุปาทานหมายความว่าระวังอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในศีและพรสเพราะว่าขึ้นชื่อว่ายึดมั่นแล้วก็คือปฏิบัติด้วยความหลงด้วยความงมงายขึ้นชื่อว่าความยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยมันก็เป็นโทษทั้งนั้นเอาคำสอนเนี่ย ใช้กับใครใช้คนที่เห็นคุณค่าของศีลและพรตแต่ว่าส่วนใหญ่พออยู่ในศีลและพรตแล้วก็จะก็จ ะ, จะเบี่ยงไปอีกทางหนึ่งแต่ก่อนไม่สนใจเรื่องศีลเรื่องพรตเลยนะครูจาก็มาสอนว่าให้มาปฏิบัติอยู่ในศีลในรับพรตคืออยู่ในกรอกแต่พออยู่ในกรอกแล้วก็จะเวี่ยงไปอีกทางหนึ่ง ผู้เจ้าก็จะสอนว่าให้รู้จักปล่อยวางอย่ายึดมั่นถือมั่นอย่าถือได้ความงมงานธรรมะก็เหมือนกันนะธรรมะเนี่ ย, ผ, ยผู้เจ้าก็จะสอนคนส่วนใหญ่ผู้เจ้าจะสอนว่าเนี่ยให้ไฟทําให้หมั่นประพฤติธรรมนะมีธรรมะหลายข้อทีเดียวนะอย่างเช่นว่าทำย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมหรือว่าให้รเรารู้จักเคารพพระธรรมเนี่ย อันนี้สอนใครนะสอนคนส่วนใหญ่ซึ่งไม่ค่อยเห็นคุณค่าของธรรมแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยพอเห็นคุณค่าของธรรมแล้วเริ่มประพฤติธรรมแล้วเนี่ยมีแนวโน้มจะเบี่ยงไปอีกทางหนึ่งคือยึดมั่นถือมั่นพระเจ้าก็จะสอนกับคนแบบนี้ว่าเนี่ยทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหลายคนจะสงสัยนะี่เอ๊ะทำไมบางที่พูะเจ้าบอกว่าเนี่ยให นะให้ประพฤติ ธ, ธรรมให้มีความเพียรในธรรมถึงกถึงขั้นบางบางที่เนี่ยแนะนำเลยนะสอนนะว่าเนี่ยพึงสละชีวิตเพื่อเพื่ออะไรเพื่อพระธรรมสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละสอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตสละชีวิตเพื่อรักษาธรรม แต่พออีกที่หนึ่งบอกว่าทำต้องปวนไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหลายคนจะงงนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเสริมเันนะเพียงแต่ว่าทำบางข้อเนี่ยอะทำะคำสอนบางที่เนี่ยท่านสอนกับคนที่ไม่สนใจทำ ไม่สนใจธรรมะก็ให้มาประพฤติธรรมแต่คนที่ประพฤติธรรมมากๆเนี่ยมันจะมีความยึดมั่นถือมั่นในธรรมท่านก็จะสอนว่าให้รู้จักปล่อยรู้จักวางอย่ายึดมั่นถือมัน่นนะความถูกต้องก็เหมือนกันนะคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยสนใจหรอกเรื่องความถูกต้องพระเจ้าจะสอนว่าให้มีความถูกต้องเช่นเห็นถูก นะแต่คนที่พอมาเห็นคุณค่างความถูกต้องส่วนใหญ่ก็จะยึดมั่นถือมั่นในความถูกต้องครูจะก็จะสอนว่าให้อย่ายึดมั่นถือมั่นในความถูกต้องเพราะถ้ายึดมั่นในความถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะเกิดความไม่ถูกต้องขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรที่ยึดมั่นได้และพอเรายึดมั่นในความถูกต้องแล้วก็จะยึดมั่นแบบว่าเป็น ยึดมั่นถูกยึดมั่นความถูกต้องแบบของกูนะมีตัวกูของกูแทรกเข้ามาใครที่ไม่ถูกต้องแบบกูนะก็อาจจะเกิดความไม่พอใจเกิดความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์หลวงพ่อเฟืองแนละถึงบอกในวันนี้ความมีของเราแม้จะถูกแต่ถ้าิกเข้าไว้มันก็ผิดเราควรมีความเห็นถูกนะ แต่ว่าถ้าเรายึดมั่นถึงมันเมื่อไหร่นี่มันผิดไปเลยอันนี้ก็เป็นวิธีการสอนนะเป็นดูบายการสอนขคำวิจาลุครูบาอาจารย์คือว่าสำหรับบางคนนี่ต้องดึงมาทางซ้ายเพราะว่าเอียงขวามากหรือเบี่ยงไปทางขวามากแต่บางคนเนี่ยต้องดึงมาทางขวาเนี่ยเพราะว่าเอียงไปทางซ้าย คนที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็จะงงนะว่าทำไมผู้เจ้าหรือครูบาอาจารย์สอนเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างเช่นเนี่ยเรื่องการฝึกจิตก็เหมือนกันนะเป็นเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบปล่อยใจลอยส่งจิตออกนอกนะปล่อยตัวปล่อยใจทําตามอารมณ์ ครูบาอาจารย์ก็เลยสอนว่าเนี่ยให้รู้จักควบคุมจิตบ้างให้รู้จักคมใจขมอารมณ์บ้างแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยพอเห็นคุณค่าของการฝึกจิตการบังคับจิตมันก็จะทำแบบสุดโตงนะคือบังคับจิตตะพื้ตะพื้เลยจนกันทั่งกลายเป็นซอมบี้ก็มีนะ บางคนมารับจิตนจนกระทั่งยกมือยกไม้ไม่ไหวบางทีซอมบี้ไปเลยเครียดนะท น, นครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็นจะสอนเนี่ยสอบคนที่พอเห็นคุณค่าของการฝึกจิตนะของการข่มอารมณ์แล้วเนี่ยท่านก็นจะสอนว่าให้รู้จักปล่อยบ้างนะอย่างเคยมีลูกศิษย์มาถามหลวงพ่อชาว่าเนี่ย เวลานั่งสมาธิใจมันจ ะ, ะใจมันชอบตระเริพภาวนายงไงจิตจึงจะสงบหลว่าชาต์ตอว่าตระิ ก, ก็ช่างมันเดี๋ยวมันคิดจนเหนื่อยมันก็เลิกคิดไปเองท่านอกให้ช่างมันนะตระเริง ก, ก็ช่างมันแต่คาว่าคำสอนเนี่ยไม่ได้ใช้คนทั่วไปนะใช่คนที่ชอบบังคับจิต สำหรับคนที่ชอบบังคับจิตเนี่ยครูบาอาจารย์จะสอนให้รู้จักปล่อยมันบ้างมันจะพุ่งก็ช่างมันแต่สำหรับคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ชอบปล่อยใจลอยทําตามอารมณ์เนี่ยท่านก็นจะสอนให้รู้จัก บ, บังคับจิตควบคุมอารมณ์ก <c oughs> ็หลักการเดียวกันนะคนส่วนใหญ่เนี่ยมากในการที่จะอยู่ตรงกลางๆเนี่ยหรืออยู่ความพอดีมันยาก มักจะเอียงไปทางซ้ายท่านก็จะฉุดมาทางขวาจะได้มาอยู่ตรงกลางๆงแต่พอฉุดมาทางขวาแล้วมันจะเอียงไปทางขวาเนี่ยจนตกขอบเนี่ยท่านก็ดึงมาทางซ้ายธรรมาชาติอของเราเป็นอย่างนี้เราคือมันสุดตรงนะถ้าไม่เอียงซ้ายมากก็เอียงขวามากจะให้อยู่ตรงกลางกลารู้ความพอดียากนะคำสาวกุฎจ้านี่ก็เป็นไปเพื่อเห็นนี้แหละ สำหรับบางคนก็ต้องดึงมาทางซ้ายแต่สำหรับบางคนก็ต้องดึงมาทางขวาแล้วมันก็จะเกิดผลคืออยู่ตรงกลางๆงหรือเราจะเรียกมีความพอดีก็ได้มีคราวหนึ่งนะสมัยหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็มีพระนี่มาปฏิบัติกับท่านมากและท่านก็ชอบ พาลูกศิษย์เนี่ยเดินจาริทุดงบางทีก็อยู่ในป่านา น, านๆสมัยก่อนป่ามันก็ลกทึบนะวันนั้นก็จะมีพระจำนวนไม่น้อยเนี่ยป่วยไข้ป่าบ้างอะไรบ้างละพระบางรูปเนี่ยพอป่วยเป็นไข้ก็จะมาขอยานิทีนหลวงปู่ ม, ม่าน ก, ก็จะเอ็ดเลยนะ นี่นับถืออะไรเป็นที่พึ่งนับถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งหรือว่านับถือยาเป็นที่พึ่งนี่พวกเธอเนี่ยนับถือศาสนาพุทธหรือว่าศาสนายากันแน่นะแต่พระบางรูปเนี่ยพอป่วยแล้วเนี่ยไม่ยอมกินยาจนอาการลุกลามท่านก็จะว่าเลยนะยามีทำไมไม่ฉันทำไมทำตัวเป็นคนเลี้ยงยาก เอาคนที่ฟังเนี่ยคำต่อว่าเนี่ยหรือคำทักท่วงของอาจารย์มั่นเนี่ยบางทีก็จะสงสัยทำไมท่านสอนแนะนำไม่เหมือนกันบางคนนะท่านก็ไม่ให้ยาแต่บางคนก็เลยให้มากินยาสองมาตรฐานหรือเปล่ายิงไม่ได้สองมาตรฐานหรอก แตเ่เป็นวิธีการของท่านเพราะบางคนเนี่ยเอะอะแล้วก็กินยาท่านก็บอกว่าให้หันมานะใช้ยาให้น้อยลงฝึกจิตให้มากขึ้นแต่บางคนเนี่ยปฏิเสธยาท่านก็จนกระทั่งอาการป่วยลุกหลามท่านก็เตือนว่าให้มากินยาม่องไม่ได้สองมาตรฐานนะ คนไม่เข้าใจไม่ฉลาดนี่ก็จะเห็นว่าอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านสอนบางคนสอนอย่างบางคนสอนอย่างจริงจมันก็ไม่ตายจากหมอนะทําไมบางคนคนไข้บางคนหมอบอกว่าให้พักผ่อนเยอะๆแต่ทําไมบางคนหมอบอกว่าให้ออกกําลังกายมากๆ ไอ ห, หมอนี่ไม่คงเส้นคงวาแลอววันนี้เพราะว่าออกกําลังกายเยอะๆกับพักผ่อนมากๆนี่มันไม่มันตรงข้ามกันนะจริงไม่ได้มันไม่ได้สองมาตรฐานหรอกหรือไม่ใช่เป็นความไม่คงเส้นคงวาแต่เว่าคนไข้ไม่เหมือนกันคนไข้บางคนทํางานหนักไม่ยอมพักผ่อนก็ต้องพักผ่อนเยอะๆร่างกายจะกลับเป็นปกติแต่บางคนนะ ไม่ออกกำลังกายเลยร่างกายก็แย่ก็ต้องออกกำลังกายให้มากขึ้นกับกรณีแบบนี้เราก็ไม่ได้มองว่าเอะหมอนี่สองมาตรฐานนะแต่เป็นเพราะว่าคนไข้เนี่ยต่างกันและเราก็ไม่ได้เราก็คงบอกไม่ได้ว่า วิธีการที่ถูกต้องมีแค่หนึ่งเดียวการพักผ่อนกับการออกกำลังกายเยอะนี่มันไม่มันตรงข้ามไปเลยนะที่จริงก็ไม่ถึงกับตรงข้ามแต่มันแตกต่างกันมากนะพักผ่อนเยอะๆกับออกกำลังกายมากๆแต่ถามว่าความถูกต้องอยู่ที่ตรงไหนนะคนะคว่านาะเชื่อความถูกต้องนี่มีหนึ่งเดียว แต่จริงๆแล้วมันไม่มีหนึ่งเดียวหรอกอการพักผ่อนก็ถูกต้องเหมือนกันนะสําหรับคนที่ทํา ง, งานหนะักส่วนการออกกําลังกายก็ถูกต้องเหมือนกันสำหรับคนที่นะปล่อยตัวตามสบายแต่ธรรมดาคนเราเนี่ยมักจะมองความถูกต้องนี่มีหนึ่งเดียวแล้วกปเลยยึดมั่นความถูกต้องนั้นเอาไว้ทั้งที่วิธีอื่นมันก็ถูกต้องเหมือนกัน เแต่ว่ามันเหมาะกับคนที่แตกต่างกันงั้นศาสนาพูดหรือคำสอนของผู้เจ้าเนี่ยมันเป็นคำสอนที่ต้องใช้ปัญญานะไม่งั้นเนี่ยคนจะไม่เข้าใจนะว่าทำไมผู้เจ้าสอนไม่เหมือนกันเลยที่จริงไม่เหมือนกันเพราะคนมันไม่เหมือนกัน หรือถึงคนคนเดียวกันแต่ว่าบางทีภาวะอารมณ์หรือทัศนคติก็แตกต่างกันไปอย่างเช่นคนทั่วไปเนี่ยก็เป็นผว้ที่เพลินในสุขเพลินในทรัพเพลินในสุขภาพเพลินในชีวิตผู้เจ้าก็เตือนว่าไอ้สิ่ ง, งต่างๆามันไม่เที่ยงนะเกิด มาแล้วเนี่ยแกเจ็บตายหนีไม่พ้นนะต้องเจอความพัดพรากสูญเสียนะบางคนบอกโอ้หพุทธศาสนานี่มองโลกในแง่หลายพูดแต่เรื่องทุกข์พูดแต่เรื่องทุกข์จริงๆพุทธเจ้าพูดเรื่องนี้เพราะว่าคนมันชอบติดสุขนะคนมันติดสุขไม่มองเห็นหนึ่งความทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นหรือ กำลังปรากฏอยู่ข้างหน้าใจลบเป็นการมองลบก็ได้นะบางคนเข้าใจพุทธศาสนานี้นเป็นผู้ที่มองชี้ในทางลบเห็นแต่ทุกข์ไปหมดอันนี้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ติดสุขแต่เวลาคนมีความทุกข์นะผู้เจ้าสอนอีกแบบหนึ่งนะสอนว่าในทุกเนี่ยหาสุขพบวิจารณ์ต่อี่ยสอนผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบ คนส่วนใหญ่ติดสุขผู้เจ้าก็เลยเตือนว่าเฮ้ยระวังนะมันมีทุกข์รออยู่นะหรือว่าทุกข์กำลังอยู่กับเราในขณะนี้แล้วเพื่อไม่ให้ติดสุขแต่คนที่มีทุกข์เนี่ยผู้เจ้าก็สอนว่าอย่าจมในทุกข์นะให้เห็นว่าในทุกข์เนี่ยมันมีสุขนะนนี่ก็เป็นวิธีการสอนนะที่คนอาจจะไม่เข้าใจนะมังจะมองว่าศาสนาที่มองลบ จริงท่านก็มองบวกเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะติดสุขผพ้เจ้าก็เลยเชียรเหตุทุกข์นะแต่คนที่มีทุกข์พูะเจ้าก็มองสอนให้มองว่ามันมีสุขอยู่ด้วยป่วยกายนะแต่ใจไม่ป่วยแม้จะถูกต่อว่าด่าทอก็ยังดีกว่าถูกเขาทำร้าย ด้วยก้อนหินถูกเขาทํำร้ายด้วยก้อนหินก็ยังดีที่เขาไม่ทํำร้ายด้วยท่อนไม้ทํำร้ายด้วยท่อนไม้ก็ยังดีที่เขาไม่เอาของแหลมมาแทงเอาของแหลมมาแทงก็ยังดีที่เขาไม่ค่ายตายแม้เขาค่ายตายก็ยังดีที่ไม่ต้องไปหาอาวุธมาทำร้ายตัวเองอันนี้เป็นบทสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระปุณณะพระปุณณะบอกว่าเนี่ย เจออะไรก็ดีทั้งนั้นแหละถูกเขาด่าว่าก็ดีถูกเขาเอาหินขว้างก็ดีถูกเขาเอาไม้มาฟาดก็ดีถูกเขาเอาสัตตามาทุบแทงก็ดีดีที่ไม่แย่ไปก่อนนี้บนะูชาวาก็เลยเออดีแล้วถือว่าเอาตัวรอดได้อันนี้ให้พระปุณณไปเมืองสุนับปรันตะซึ่งคนนี่ดุร้ายมากนี่ก็เป็นการมองบวกนะซึ่ง เชื่เห็ น, นว่าเนี่ยเวลาเจอทุกเนี่ยถ้าเรารู้จักมองบวกบ้างมันก็จะไม่จมในทุกขแต่เป็นเพราะคนเราเนี่ยชอบเพลินในสุขพระเจ้าจึงเตือนให้เห็นว่าในสุขสขที่กาลังเพลิดเพลินเนี่ยมันทุกข์ทั้งนั้นนะเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้ว น, นี่เตือนนะเตือนพวกที่ยังเพลินในสุขนะ แต่ถ้าจมในทุกแล้วนี่ผู้เจ้าก็จะเตือนก็จะสอนว่าในทุกเนี่ยนะหาสุพบนะ